ขอให้ญาติโยมรอทุกคนทุกท่านจงทําความสงบเจริญสติสร้างความระลึกรู้การหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันสักพักสริยะหนึ่งเช่นก่อนฟังไปด้วยสําเนียงระลึกรู้สัมผัสของการหายใจเข้าออกของเราไปด้วยจุดคิดดับความคิดดับความกังวลดับความพุ่งสร้างต่างๆเอาไว้ให้หมดแล้วก็ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ จุดมุ่งหมายของการเจริญสติก็เพื่อที่จะเข้าไปรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็รอบรู้ในกองสังขานอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทำความเข้าใจแล้วคอยละอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลจิตที่สงบปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรจิตที่ไม่มีความทะยทะยานอยากเป็นอย่างไรจิตที่คลายออกจากความคิดหรือว่าแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไรเราต้องพยายามดูรู้ให้ทัน ถ้าเรารู้ไม่ทันก็ยากที่จิตของเราจะปล่อยจะวางได้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วตามทําความเข้าใจได้ก็จะมีตั้งแต่ความสงบความสุขกิเลสตัวไหนมาหลอกเราเราก็จะรู้จิตของเราส่งออกไปข้างนอกได้อย่างไรเรารู้จักดับจะควบคุมได้ระดับไหนการได้ยินได้ฟังได้อ่านก็รู้สึกว่าทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่การสังเกตการวิเคราะห์การลงมือตรงนี้แหละทากันไม่ค่อยจะได้ต่อเนื่อง ก็เลยรู้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้รู้ได้ตลอดว่าการเกิดการดับของความคิดซึ่งเป็นนมามธรรมนั้นเขาเกิดอย่างไรทําไมจิตของเราถึงไปหลงออกความคิดแต่การสร้างอนิสงส์สร้างกระบะสร้างบรารมีนั้นทุกคนได้สร้างกันมาตลอดถ้าไม่ได้สร้างกันมาก็คงจะมาไม่ถึงวัดฝนตกแดดออกก็พากันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจปักไ่ยอยู่ในบนุญอยากจะได้บุญอยากจะทําบุญ มีศรัทธามีความเสียสละถึงได้พากันมาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเต่นอานิสงส์เป็ น, น, น, ปนบ ร, รมีของทุกคนที่ติดตามตัวมาแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันก็อยากจะทําบุญอยากจะทําบุญอยากจะถวายทานอาโอกัดเข้ามาทําบุญอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ขั้นแรกเลยทีเดียวคือการให้ทานการให้ทานของทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่การสํารวจตัวเราเอง ความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นจากเหตุภายนอกทําให้จิตของเราเกิดอดทนอดกลั้นจากภายในเรามีสัจจะกับตัวเรามีความขยันมั่นเพียรมีความเชื่อมั่นในตัวเราแต่เป็นการเชื่อมัน่นด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อมัน่นด้วยทิฏฐิด้วยอํานาจของกิเลสมีพร ม, มีหานมีความเมตตามองโลกในทางที่ดีคิดดีไม่คิดร้ายจิตของเราไม่มีมนตินไม่อิจฉาริษยา ไม่พูดจาในทางที่ไม่ดีทากายให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญทาใจให้เป็นบุตรอยู่ตลอดเวลาแค่นี้เราก็อยู่กับบุญแล้วตื่นขึ้นมาเราก็สำรวจเราเราก็จะได้เป็นบุคคลที่เข้าวัดทำกายให้เป็นวัดทำจิตให้เป็นพระท่านถึงบอกว่าถ้าใครรู้จิตคนนั้นก็รู้ธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านก็มาอยู่กับเราพุทธก็คือผู้รู้ ถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าท่านก็จะมาอยู่กับเรารู้อะไรรู้กิเลสรู้การละทุกข์รู้การดับทุกข์รอบรู้ในกองทังขานรอบรู้ในอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่ารอบรู้ในโลกโลกภายในรอบรู้ในสมมุติและก็รอบรู้ในวิมุตติสมมุติคือสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวในชีวิตประจําวันของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นของสมมุติแต่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาเท่านั้นเอง แต่มันก็เป็นจริงในทางสมมุติแต่เราก็ทําความเข้าใจให้รู้จักเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าถึงเวละเวลาก็ต้องได้วางหมดถ้าเราวางภายในไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ยากที่จะวางสมมุติได้มันอาจจะวางได้อยู่ระดับของโลคีเท่านั้นในระดับของหลักธรรมแล้วก็ยากจับใดที่ยังแยกรูปแยกน้ําแล้วก็ชำระสะสารกิเลสดับความเกิดได้เมื่อไหร่นั่นแหละจิตของเรามันถึงจะยอม ปล่อยอมวางได้ทําความเข้าใจให้จิตยอมรับความเป็นจริงได้เราต้องมันพร่ำสอนตัวเองมันพร่ำสอนจิตของเราตลอดเวลาละความเจ็ดคลานเพิ่มความข ย, ยันมันเพียรแต่ละวันแต่ละวันแม้ตั้งแต่นี่วอนทำเราเคยทําความเข้าใจหรือไม่จิตของเรามีความกําหนัดกินดีในราคะรูปรสกลิ่นเสียงหรือเปล่าขณะ น, นี้และอยู่ปัจจุบันถ้ามีเราก็รียกความจัดเสียจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาท เราก็พยายามให้อโหสิกรรมอภัยทานจิตของเรามีความกังวลมีความพุ่งสั้นเราก็รู้จักดับความระลึกรู้ตัวของเราพลั้งเผย์หรือว่าไม่มีเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้มีจิตของเรามีความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยสารพัดอย่างเราก็รู้จักดับแล้วก็พยายามเจริญสติให้รู้ตัวอยู่ปัจจุบันให้ต่อเนื่องเรารู้ไม่เท่าท่านก็รู้จักควบคุมรู้จักดับเอาไว้อยู่คนเดียวเราก็พยายามมันแก้ไขเราอยู่หลายคนเราก็พยายามมันแก้ไขเรา อยู่ตลอดเวลาทุกเวลาทุกุริยาบทนั่งแต่ตื่นขึ้นมาจะไปเลือกการเลือกเวลาว่าเวลาโน้นถึงจะดูเวลานี่ถึงจะดูบางคนถ้าไม่ได้เจริญสติก็จะไม่รู้ว่าตัวเองหลงถ้าเจริญสติให้ต่อเนื่องรู้จักดับรู้จักควบคุมอันนี้คือลักษณะ ข, ของกิตอันนี้คือลักษณะ ข, ของสติที่เราเข้าไปทําความเข้าใจกับกิจก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าแต่ก่อนเราไม่มีสติในทางธรรมเลยมีแต่กสติปัญญาในทางโลกที่จะเอาไปใช้ เราต้องเข้าไปรู้คลายความหลงให้ได้เสียก่อนจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ยากสาหรับบุคคลที่ไม่สนใจจะง่ายสาหรับบุคคลที่สร้างอานิสงส์สร้างบรารมีและก็สนใจฝักใฝ่ในสิ่งที่เราแสวงหาถ้าเราเข้าใจแล้วอะไรก็ง่ายไปหมดจะยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายก็เป็นแค่เพียงเรียบบทอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะพยายาม สนใจพยายามฝักใฝ่การย่ายินได้ฟังได้อ่านการได้ศึกษาทุกคนมีกันมาเต็มเปรียบเท่านั้นแหละอยู่ที่ไหนก็ดีหมดอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ทํางานก็ดีจะไปวัดไหนก็ดีหมดถ้าเราสนใจในการวิเคราะห์ในการพาิจารณาแก้ไขปรับปรุงตัวเราถ้ามันไม่ดีเราก็พยายามละเชื่อพยายามทําความเข้าใจกับเขาเชื่อไม่ให้ไปหลงไม่ให้ไปยุทธ์ถ้าใจของเราดีแล้วทางนอกไม่ดีใจของเราก็ดีอยู่มบนเดิอบ แต่ข้างนอกดีทั้งใจของเราไม่ดีใจของเรามันก็ไม่ดีอยู่างมันเดิบเราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ที่ไหนก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีประโยชน์สร้างดั้งแต่ประโยชน์สร้างตั้งแต่ความสุขให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันก็ต้องพยายามกันนั่นแหละเราจึงจะไม่ได้เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาแล้วก็มีอาการครบ32อย่างมีสติมีปัญญามีโอกาส ว่าเป็นบุคคลที่มีบุรที่ได้เกิดมาในสถานที่พ่อแม่ก็เป็นสัมมาทิฐิตระกูลก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีความฝักใฝ่ในบุญในกุศลในการสร้างกระมสร้างบารมีแล้วก็ได้รับการศึกษาได้รับการเรียนผ่านการผ่านเวลาบางคนบางท่านก็ได้เรียนจบทั้งโลกกันมาบริบูรณ์บางคนบางท่านก็มีความเพียบพรอบ้อมต้งสมุติทางด้านวิมุต ก็ได้น้อมเขามาศึกษาเข้ามาทำความเข้าใจเราก็จะได้ไปใช้กับชีวิตอย่าไปน้อยอกน้อยใจให้กับตัวเราเองทุกคนก็มาด้วยวิบากของกรรมทั้งนั้นกรรมนำมาถึงได้มาเกิดเราต้องทำความเข้าใจกับกรรมเสียกรรมก็คือการกระทำการกระทำตั้งแต่อดีตก็ส่งผลถึงปัจจุบันการกระทำปัจจุบันก็ส่งผลถึงอนาคตกรรมระดับของสมมติระดับของกายหรือว่าลึกลงไป ซึ่งเป็นกรรมฝ่ายนา ม, มารมคืออาการน้องความคิดอาการน้องขันห่านั่นแหละก็ามาปรุงแต่งจิตของเราเอาจิตของเราเข้าไปหลงเข้าไปรวมได้อย่างไรแล้วไปหมุนไปหลงวนเวียนได้อย่างไรถึงเป็นวัฏจักรไม่มีโอกาสที่จะคลายได้เราต้องพยายามจริญสติเข้าไปสร้างทบบา ร, รมีเข้าไปให้มากๆถึงเวลาจิตของเราก็จะคลายทําความเข้าใจเราก็รู้จักวิบากของกรรมเราทําความเข้าใจได้วิบากของกรรมก็ตามไม่ถัดก็เป็นการเอาหสิกรรม เป็นการให้อภัยถานกรรมใหม่เราก็ทําตั้งแต่กรรมดีแต่ไม่ยึ ด, ยดตัวเลยอยู่เหนือกรรมถ้าพูดตามความเป็นจริงก็คืออยู่เหนือบุญเหนือบาปไม่ยึดติดละบาปสร้างกุศลแต่ไม่ยึดติดในกุศลเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลานี่แหลยแต่ไม่เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาก็ต้องพยายามกันนะค่อยขัดเก่าตัวเราค่อยสร้างบารมีของเราไปไม่ต้องรีบเร่งทําไปเรื่อยๆแต่อย่าให้พลั้งเผลอทําไปเรื่อยๆทุกุริยาบท ถ้าเราพลังเผยเราก็เริ่มใหม่พลั้งเผยเราก็เริ่มใหม่สักวันหนึ่งเราก็คงจะเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจวันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ต้องเข้าใจตราบใดที่เรายังพอใจยินดีแสวงหาในสิ่งที่เราทําอยู่ก็ต้องพยายามกัน